ขอความเจริญในธรรมจึงมีแต่ท่านผู้ฟังเท่านั้แต่รลวงพระพุทธญาณในวันนี้ก็จะพูดเรื่องวิมุตต์หรือนิโรธหรือนิพพานในโครงสร้างของอริสัตนั้นทรงเรียกคำว่า น, นิโรธแต่ว่าในธรรมจั ก, กวรตนสูตรเองก็มีคำหลายคำ เช่นว่าคำอนิพานหรือแม้แต่คำมวิมุตต์แต่และอย่างเนี่ยก็หมายถึงนิโรธด้วยกันทั้งนั้นนิโรธเราแปลว่าปรัสจากสิ่งเสียดแทงคือไม่มีสิ่งเสียดแทงแต่สิ่งเสียดแทงที่มุ่งหมายในที่นี้หมายถึงกิเลสหรือกุศลบาปธรรมที่เกิดขึ้นภายในใจแล้วก็ทําใจคนให้สายไป มีการแผดเผาใจให้มีอาการร่าร้อนด้วยประการต่างๆเละการปฏิบัติธรรมะในฐามพระพุทธศาสนานั้นโดย่าจะพูดโดยสรุปก็พูดพู ด, พดคือพูดถึงเรื่องของทุกข์แล้วก็ความดับทุกข์แต่เราจะเห็นว่าทุกข์ก็เป็นผลนะครความดับทุกข์ก็เป็นผลธรรมะส่วนใหญ่จึงเป็นเน้นที่ตัวเหตุ เหตุกเกิดของความทุกข์กับเหตุเกิดของนิโรธเหตุกเกิดของความทุกข์ก็คือสมุทัยดังที่ได้กล่าวไว้ในวันก่อนๆเหตุกเกิดของนิโรธก็คือมรรคแต่ในที่นี้ที่จริงก็กำลังอธิบายด้ยวยโครงสร้างของอริสัตตสีเราก็เรียงมาตามลําดับคือทุกข์สมุทยัยนิโรธ มันก่อนได้พูดถึงการดับทุกข์ในแต่ละขณะคือดับกิเลสในแต่ละขณะที่ทรงใช้คำว่าตะทังกะปะหานเวลาได้โดยองค์นั้นๆแล้วก็เมื่อจิตหลุดพ้นจากกิเลสก็เรียกว่าตะทังกะวิมุตต์คือจิตหลุดพ้นโดยองค์นั้นๆแล้วก็บางครั้งก็เรียกว่ า, าทัทังกะนิพานก็แปลว่าดับโดยองค์นั้นๆเหมือ น, นกัน ร ด, ดับกิเลสในลักษณะนี้เป็นวิถีชีวิตของคนที่มีจิตสำนึกโดยทั่วๆไปหรือตามปกติแล้วก็จะเห็นได้ว่ามีความคิดเป็นนันมากที่ไม่ค่อยดีมันเกิดขึ้นภายในใจเราแล้วเราก็สงบทั้งหมดลงไปได้คือดับลงไปได้คือไม่ถึงก็ทําออกไปไม่ถึงก็พูดออกไป แต่ถามมากิเลสมันเกิดขึ้นหรือยังก็เกิดขึ้นแล้วแต่ เ, เราก็ดับไปแล้วซึงการดับเหล่านั้นอาจจะดับได้ช่วงยาวๆกว่าสมควรหรือดับได้ช่วงสั้นๆแต่จะดับช่วงสั้นหรือช่วงยาวก็ตามก็สรุปว่าสามารถแก้ปัญหาขาจัดปัญหาไปได้ในขณะนั้นๆในการดับในแนวนี้ก็ ทรงสอนไม่หลายแนวนะแนวหนึ่นงก็คือเป็นแนวเรื่องศีลก็เรียกว่าศีละสงวรคือสำรวมระวังในด้านศีลที่จริงศีลเนี่ยเป็นอาการภายในจิตคือเจตนาที่เกิดขึ้นภายในจิตเราตราบใดที่เรายังมีศีลอยู่เนี่ยแม้จะมีอารมณ์กระตุ้นให้เกิด กิเลสรุนแรงมันกิเลสมากจะเกิดนะฮะระการเกิดของกิเลสนี่ยไปถึงกับผิดศีลแต่ว่าผิดธรรมะเท่านั้นเองในขณะนั้นเนะ่ยเราก็นึกได้ว่าเรารักษาศีลอยู่เราก็สํารวมระวังไปตามบทปัญญัติแห่งศีลแล้วก็ไม่ลุวงละเมิดในที่นี้ก็ตรงกับศีลในความหมายว่าไม่ล่วงละเมิดคือสํารวมระวังไม่ล่วงละเมิด งดเว้นจึงหมายความมีแรงกระแทกมาจากข้างนอกเราเกิดสารวมระวังเอาไว้แล้วกง็งดเว้นได้แล้วก็ไม่ร่วงและเมื่อดได้ก็คืองดเว้นได้ทีนี้บางคราวในศีลี้นนและแต่ว่ารักษาจนหนักแน่นมั่นคงกลายเป็นอาการปกติปกติกายปกติว่าาย จิตเองก็ปกติเพรานั้นมันคุมมาลึกๆตั้งแต่ความคิดแต่เรียกว่าสมณ ส, สัญญาคือสํานึกว่าเราเป็นสมณะไดโนุบาสก ส, สัญญาสำนึกว่าเราเป็นอุบาศกสํานึกว่าเราเป็นอุบาสิกาสานึกว่าเราเป็นพ่อเป็นแม่อะไรต่ลงๆนี่เราก็ดับกิเลสดับอารมณ์ต่างๆลงไปได้ เรื่องข่าวคราวต่างๆที่เกิดขึ้นในบ้านในเมืองเป็นรูปอัจฉรกรรมที่บางครั้งเราก็มึกไม่ออกนะบามัเกิดขึ้นได้ยังไงแต่มันก็เกิดแต่ทีนี้ถ้าเรามองย้อนไปในประวัติศาสตร์ของมนุษย ช, ชาติก็เห็นว่าเออมันก็เป็นเรื่องธรรมดานะมนุษย์เดียก็เป็นอย่างนี้แหละมาถึงจุดหนึ่งถ้าหากว่าแรงกระแทกจากข้างนอกมากไป คนสูญเสียปกติภาพแล้วก็รู้อำนาจแกอารมณ์ก็ทำไปด้วยความกำนัดบ้างด้วยความกัดเคืองบ้างด้วยความโลภบ้างด้วยความโง่เขลาบอปัญญาบ้างปัญหาที่ไม่ควรจะเกิดมันก็เกิดขึ้นแต่ว่าบทบัญญัติแห่งศีลนั้นถ้ามันคุมจิตไปจนถึงปกติเป็นปกติภาพ คล้ายๆกับน้ำที่มันใสยอยู่โดยปกติเนี่ยแม้จะมีสิ่งสกรปรกตกไปมันก็สลายได้ริงน้ำไหลแล้วจะสลายได้เร็วหรือว่าต้นไม้ที่เขาเจริญเติบโตขึ้นมามันก็ท่านแรงประทะไม่มากเกิดไปเนี่ยแกไม่ไหวจะยืนมั่นคงอยู่อย่างนั้น แต่ก็ไม่ได้หมายความต้นไม้ชนิดนั้นจะไม่โค่นนะครคือถ้าลมแรงๆก็โค่นได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าจะมีแรงต้งานทานที้สูงกว่าปกติพอมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยก็กลายเป็นพวกอินเสียสงวนคือสำรวมระหว่างอินเสีย์นี่เราเจอบ่อยนะโดยเว่าแนวนิโรธเองมันก็ทรงแสดงทางผ่านสายอายตนะเหมือนกัน หมายความมาอยู่ในโครงสร้างเดียวกับที่พูดเรื่องสมุทัยเนี่ยตนาเมื่อจะดับก็ดับในที่นี้เพราะมันเกิดในที่นี้มันก็ดับในที่นั้นในวิสีสังวรเป็นแนวของการระมัดระวังเวลาสัมผัสอารมณ์ที่กระทบจากข้างนอกซึ่งแน่นอนเราก็ต้องกระทบอารมณ์ะ คือสัมรวมระวังระดับไม่ให้เกิดความยินดียินร้ายแต่ถ้าความยินดีในกุศลธรรมก็ยินดีไปแต่ว่ายินดียินร้ายในที่นี้หมายความว่ามันเกิดราคะเกิดโลภะไม่จะเกิดธรรมชันทะไม่จะเกิดธรรมระติคือยินดีในธรรมมันไม่ใช่อย่างนั้นหรือพูดเฉพาะในกรณีที่เกิดกระตุ้นให้เกิดราคะกระตุน้นโลภะ หรืตุน้นนเกิดโทษสะตั้งเถือเป็นเรื่องใหญ่เป็นโลกิยารมนะอารมณ์ของชาวโลกเราจะเห็นว่ามันก็มีความรักความชังความโลภเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่พูดเมื่อไหร่มันก็เจอเมื่อนั้นแหละแต่นั้นในชั้นนี้ก็สอนแบบสำรวมระวังระงวังจิตเอาไว้ย้ายเกิดกําหนัดย้ายเกิดขัดเคืองได้เกิดโลภ จนถึงยาให้เกิดประมาณนี้ก็ถือว่าเป็นการละที่ทิ้งช่วงยาวขึ้นเพราะมีลักษณะของการตัดไฟแต่ต้นลมหรือตัดกระแสของกิเลสไม่ท่วมทับ จ, จิตใจมากเกินไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยใช้เป็นรูปของขันติคืออดกั้นอดทนตอนนี้ก็มีแรงกระแทกมาก อาแจะออกมารูปของความวิปริตแปรปรวนก็ธรรมชาติแต่ทนเอาหนาจัดก็ทนเอาร้อนจัดก็ทนเอาน้ำหลาก็ทนเอาเกิดพายุก็ทนเอาก็ไม่รู้จะทำยังไงว่านอกจากทนเอาแต่ผ่านวิกฤตการณ์ตรงนั้นไปให้ได้บางครั้งเป็นลักษณะแรงกระแทกของอารมณ์อย่างที่ว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งคืออารมณ์ที่ยั่วยวนกับยั่วยุเนี่ยคนจะทนไม่ไปได้แ๋ยวเราก็ฝึกปรือจนถึงทนได้อย่างน้อยก็ทนได้ให้ระดับหนึ่งว่าถ้าหากว่าไม่วิกิตการทางอารมณ์จริงๆเนี่ยมันก็รักษาปกติจิตเอาไว้ได้ตราถือว่าเป็นเรื่องที่ควรภาคภูมิใจยกย่องส่ิน ปัญหามะเร็บบงรเป็นเรื่องของทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นภายในร่างกายเราอาจจะเกิดจากโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนร่างกายของเราแท้แต่จริงมันก็ไม่รู้จะว่าอย่างไงกับมันนานๆมันเป็นร่างของโรคเราอยู่มันมาตั้งนานแล้วเราก็พูดกับมันไม่รู้เรื่องเลยเราบังคับมันไม่ได้เราสั่งมันไม่ได้อุจาอะไรกันก็ไม่ได้แต่ก็กลายเป็นที่อาศัยเราก็ต้องอาศัย แล้วก็ชำระสสารด้วยประการต่างๆดังนั้นมันก็มีอย่างเดียวก็คืออดทนบางครั้งในยังนึกว่าเอะเราจะต้องกินยากันอย่างนี้ตลอดไปเรอมันก็มีแต่สารเคมีอยู่ในร่างกายคือยาแบบฝรั่งเนี่ยที่จริงมันค่อนข้างน่ากลัวนะคือมันคล้ายๆกับอาวุธที่ยิงทำลายศัตรู สู้ตายแล้ว่ะแต่ว่าบริเวณกล้เขียกมันชอกช้ำน่ะเพราะยาก่าหลังจึงมองในแนวที่เป็นอันตรายถ้าพูดตึงเรื่องกิเลสได้ชัดแน่ครับ ย, ยาก่าหลังนี่มองในแนวของการทำลายกิเลสหรือการละกิเลส การขจัดตัวสมุธฐานของโรคตัวอากาศตัวตัวโรคนะซึ่งแนวนี้ที่จริงมันสู้แนวบำรุงไม่ได้หมายความมาวยวัฒน์ร่างกายที่จริงถ้ามันปกติแล้วเนี่ยมันต้านทานมันมีภูมิต้านทานโรคมาโดยธรรมชาติเพราะฉะนั้นถ้าบำรุงสุขภาพพลาดนามัยให้ดีประสาทสัมผัสส่วนต่างๆ ดินน้ำลงไฟอากาศสม่ำเสมอกันเนี่ยมันสุขภาพร่างกายก็จะแข็งแรงมันก็กลายเป็นภูมิในลนักษณะที่ต้านทานโรคป้องกันโรคจนถึงบำบัดโรคบางระดับออกไปได้เมื่อเรามองแนวพระพุทธเจ้าพระเจ้าจะสอนแนวบำรุงมากกว่าแนวในการบำบัดเมื่อเรานำธรรมะทั้งหมดเนี่ยมาแยกประเภทดูนะว่า ในกลุ่มของอริยสัจเนี่ยทรงสอนในแนวไหนมากที่สุดก็จะเห็นว่าทรงสอนในแนวอริยมรรคที่มากที่สุดแนวภาวนาหรือ แ, แนวศีลสมาธิปัญญาเนี่ยมากที่สุดคือเป็นการสอนให้คนเจริญกุศลแจ่ให้กระทานตุบํารุงร่างกายรักษาสุขภาพบาลานซ์หมแล้วก็ความแข็งแกร่งที่มีอยู่ภายในเนี่ยมันจะกลายเป็นภูมิต้านทาน ตัวลมที่กระแทกระจากข้านอกดังนั้นจิตใจที่มีลักษณะอย่างนี้บางทีก็ทรงอุปมาอุปมาว่าเหมือนกับภูเขาศิลาแท่งทึบที่ไม่หวั่นไหวด้วยลมฝนแดดแะรแต่อะไรก็ตามนะครับแต่ว่าจิตขนาดนั้นมันเป็นจิตระดับพระอรหันต์ไปแล้ว เปลี่ยนแต่ว่าเป็นตัวอย่างให้เห็นว่าในกระบวนการมองโลกมองชีวิตเนี่ยก็จริงมันอยู่ที่ความคิดของเราอะ่ะยันที่ทรงแสดงไว้ในยางหนึ่งว่าสุภานปุปสิงวิหัรันตังคนที่มีมองอะไรสวยไปหมดมองรูปสวยเสียงไปรอบกลิ่นหอมรสอร่อยสัมปทานาจะต้อง คือถ้ามองอย่างนั้นแล้วเนี่ยจะไม่สำรวมระวังคืออยากดูอยากฟังอยากดมอยากลิ้มอยากจับต้องแล้วก็นํามาเหนียวนึกตรึกนึกไปเรื่อยๆจากนั้นก็จะไม่รู้จักประมาณในการบริปโภคอาหารตลอดถึงในการสัมผัสทางประสาทสัมผัสพอกลายเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดกิเลส กระดับได้ยาก น, นะในที่สุดก็จะเกียรติน้านนะเรียกความเพียนเลวจิตใจของบุคคลในลักษณะนี้ในที่สุดจะอ่อนแอจะจะอ่อนไหวไปตามอารมณ์พรัคันติบางครั้งเนี่ยมันจึงอยู่ที่ไปเล่นที่การเอาชนะอารมณ์ซึ่งโยย่โ ย, ย, ยนเหมือนจากข้างนอก แต่ลักษณะไม่หวั่นไหวคือมองไหนดับที่ไม่หวั่นไหวไม่ได้ปรุงคิดคิดปรุงเขาก็อารมณ์เขาก็เป็นอารมณ์นะครับเพียงแต่เราไม่นํามาปรุงคิดคิดปรุงทัานเนี่ยประการต่อไปก็คือเราประต้องปฏิบัติภารกิจการงานต่างๆมีความเหนื่อยยากลําบากจากจาก็ต้องอดการนอนตื่นอง มันไม่มีอะไรที่ได้มาลอยๆหรอกแต่ละอย่างนั้นรวนแ้วแต่เป็นผลของความเพียรพยายามที่ต่อเนื่องแล้วก็ทำไปทั้งกลางคืนกลางวันไม่รู้จักเหน็ดจักเหนื่อยเพราะคนบางคนดียวกาประสบ ค, ความสำเร็จทางการศึกษาทางงานอาชีพทางธุรกิจอะไรต่างๆเนี่ยเราก็ต้องยอมว่านั่นคือผลของความเพียรพยายาม แล้วก็ทําไปด้วยความหมดกลั้นความหมดทนข้อต่อไปนั้นก็คือใช้สติเป็นหลักเป็นการระลึกรู้ต่ออารมณ์ที่มากระทบผลแหนที่ทรงแสดงนิโรธคือความดับดับที่อายตนะภายในอายตนะภายนอกดับที่วิญญาณดับที่สัมผัสดับที่เวทนาดับที่ตัณหาดับที่วิตกดับที่วิจารณได้แต่ๆ ซึ่งแนวเดียวกับเรื่องของสมุทยัยเพียงแต่ว่าพูดในด้านของความดับแต่เมื่อดับแล้วจิตมันก็ครองความเป็นนิโรธอยู่จิตของพระหันทั้งหลายจิตของพระยาบุคคลทั้งหลายเนี่ยมันก็ครองความเป็นนิโรธอยู่เวลาทั้งกระทบอารมณ์ทั้งหลายมันก็ท่านก็คงกระทบนะอย่างที่บอก แต่ว่าใจไม่ได้ปรุงด้วยอํานาจของกิเลสมีปัญญารู้เท่าทันในรูปของงานฉับไวคือทันที่ทันใดใกล้าๆกับอะไรล่ะใกล้กับประสาทอัตโนมัติของเราซึ่งทำงนานในเวลาที่ฉับไวเราก็นึกไปทันแต่ข้อท่านอ่ะเป็นอัตโนมัติเกินกว่านั้นแต่ว่าให้เราสังเกต ด, ดูว่า เจ้มบาทีมีฝุ่นระออกมาเนี่ยตากระพริบไปทันทีเลยก็แสดงว่าตามันก็มีประสาทอันตโนมัติของมันที่ป้องกันดวงตาไว้ได้แต่แกไม่กระพริบมันก็แย่แล้วก็ฐานที่สำคัญอย่างยิ่งคือใช้ความรู้เพราะศาสนาพุทธเป็นาศาสนาของความรู้กวีกยานะสังวรคือส้มรวมด้วยความ ร, าม ร, ร, มามรู้มีความรู้เท่าทันในทุกขณะ ทุกขณะของอารมณ์ทุกขณะของจิตทุกขณะที่เราสัมผัสกับอะไรก็ตามเป็นการรู้เท่าทันตามความจริงแล้วปฏิบัติไปให้เหมาะสมแ ก, ะกะ่กรณีนั้นคนนี้ที่จริงเราดูตัวอย่างง่ายๆนะเช่นเรื่องเร็วเวช่นว่าคนขับรถได้เร็วเนี่ยจริงสภาพถนนสภาพการจราจรเนี่ยมันไม่ใช่ลงตัวว่าอย่างใดอย่างหนึ่ง มันปรับเปลี่ยนไปในตัวของรถที่เราขับเองแล้วก็ในสภาพของถนนในสภาพของสิ่งแวดล้อมในสภาพของรถซึ่งสวนไปสวนมาเนี่ยตามหน้าตามหลังเราอยู่เนี่ยเพราะการที่ใครคนใดคนหนึ่งเขาขับรถโดยไม่เกิดอุบัติเหตุมันแสดงให้เห็นตังสติสมัยานและความพยายามที่หนุนเนื่องกันไปแล้วก็รู้ ว่าตรงไหนคนดับยังไงตรงไหนคนดับยังไงตรงไหนคนดับยังไงคนบางคนเนี่ยขับรถนิ่มการท่าในมณฑีก็เป็นรถตู้เนี่ยแต่ว่าขับรถนิ่มเพราก็รู้ว่าตรงนี้ถนนเป็นอย่างนี้ต้องชะลอลองหน่อยตรงนี้ถนนถนนมันดีก็อาจจะขับแรงขึ้นและมีวิธีต่างๆในการขับซึ่งจะทาให้ตัวเองก็นั่งสบายผู้โดยสารก็นั่งสบาย พัฒนการของญาณหรือความรู้เนี่ยแน่นอนในความหมายที่สมบูรณ์ก็คือผู้เรื่องสมบูรณ์แต่เมื่อเรามองในแนวที่จะดับพิเลยในกรณีด้านนั้นเนี่ยปัญหาสำคัญว่ารู้ทารู้เท่าทัานตามสมควรแก่กรณีเหล่านั้นจะมีความแจ่มแจ้งมีความชัดเจนแล้วก็ แม้มีปัญหาบางเกิดขึ้นเนี่ยอาการของความรู้นี่จะทำหน้าที่สกัดหรือว่าตัดกระแสของปัญหาเหล่านั้นออกไปจิตใจของท่านก็จะไม่ถูกโยกครอนหวั่นไหวไปตามอำนาจของอารมณ์เหล่านั้นอย่าดีเ ย, ยกตัวอย่างให้ฟังเมื่อวันก่อนโน้นที่ว่าไอ้โลกธรรมทั้งส่วนที่น่าปรารถนาและไม่น่าปรารถนาเนี่ย ดัง่ของความเป็นจริงแล้วก็เกิดขึ้นภายในจิตใจของพระาตบุคคลกับสามัญชนเนี่ยมันเหมือนกันหรอกจุดต่างมันอยู่ที่ว่าสามัญชนเวลาสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเนี่ยมันขาดปัญญาเข้าไปกำกับขาดตัวความรู้ขาดสติเข้าไปกำกับเวลามันเกิดขึ้นในด้านดีนี่ใจท่งนคงฟูพอด้านไม่ดีเกิดเมือ่อขึ้นเกิด ข, ข, ข, ขึ้นมาใจท่านกงแฟบ วัญใามื่ก็แกวงเกิดขึ้นลงๆไปตามฟูตามแฟดแต่ว่ารายบุคคลท่านมีปัญญารู้เห็นวความจริงเพราม่จริงเหล่านั้นเกิดขึ้นปัญญาก็เข้าสัมผัสทันทีรู้ทะลุปลุกปงไปเลยว่าสิ่งนี้ได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราแต่จริงเหล่านี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเปลีป่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาวันจใจก็น่าก็จะไม่หวั่นไหว ไปตามการเกิดของปัจจัยภายนอกเหล่านั้นทั้งด้านบวกและด้านลบทีนี้ผมมองอย่างนี้เราจะเห็นว่าในขณะนี้ในกรณี น, นั้นมันอาจจะมีทั้งศีลมีทั้งความสมบูรณ์วังซีมีทั้งขันติมีทั้งสันติมีทั้งสติแล้วก็มีทั้งญาณคือตัวความรู้ซึ่งในสถานการณ์ปัจจุบันนี้มันมีความจำเป็น แล้วก็จําเป็นค่อนข้างมากที่ว่าบุคคลจะต้องรู้เท่าทันถึงสถานการณ์ต่างๆที่บังเกิดขึ้นแล้วก็ปรับใจตัวเองให้อยู่ได้ท่ามกลางท่งามกลางความเปลี่ยนแปลงทั้งหลาย เอตาบอกว่าเราอ่อนแออ่อนไหวไปกับอารมณ์ไม่รู้ท่าทันต่ออารมณ์ที่สัมผัสในขณะนั้นนั้นเนีย่ยจะทำให้เกิดปัญหาในกรณีที่เป็นแรงกระตุน้นคือพูดง่ายว่าโยโยโยยวนังกล่าวเนี่ยจิตใจคนก็จะอ่อนไหวไปตามแรงกระแทกกระทบตัวนั้น แต่นั้นแนวตะทังกะปะหานด้วยตัทังกะวิมุตเป็นแนวหลักในการครองชีวิตประจําวันของบุคคลเพราะว่าเรารับอารมณ์ทุกขณะไม่มีอะไรมันก็เดี๋ยวนึกออกมาจากข้างในคือใจเอาของเก่ามาเคี่ยวมากินแต่ถ้าหากว่าขาดการดับยังชั่งใจ การรู้เท่าทันบางทีความคิดนี่เองมันจะเป็นค่าสุดต่วเราเองอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงว่าดูก่อนกามบัดนี้เจ้าเราเห็นเจ้าแล้วเจ้าเกิดจากความดํารินี่เองต่อไปเราจากไม่ดําริถึงเจ้าอีกแล้วเมื่อไม่ดํำริถึงเขาก็ทําอะไรเราไม่ได้แต่ทางยวิมุตหรือแต่ทางกับอาหารจึงเป็นหลักการในชีวิตประจำวันของ คนดีทั้งหลายซึ่งสามารถจะขยายเวลาอาชนะกิเลสชนะอารมณ์ให้ยาวขึ้นได้บ้ากตามสมควรแ ก, ก่กรณีดังนั้นต้องฟังทั้งหลายแต่โลงม่อพทธิยานในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญ ง, งอกงามไปบุญในธรรมต้องมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายด้วยทั่ว ก, กันสวัสดี